Book 2 90 90าสปรโยบ ค, คำสั่งสอง 2, ah 2. โกนหนวด ah ไปอาบน้ำ หวีผมปร и ч а าชีเซ่โทรมานะ п าเ е ล е ฟานุย п าเ е ล е ฟานุยเจเริ่มได้แล้วเริ่มได้แล้วเริ่มไดิ่ไดเิ่ไดเธอ่ е ได้แล้วเริ่มไร่มไดรมไดเ่ม Это, พูดมันออกมา это, ซื้อมันมา это, อย่าหลอกลวงเด็ดขาดอย่าซนนะ อย่าหยาบคายนะนนนจริงใจเสมอนะนจนนใจดีเสมอน ะ, นนะนสุขภาพเสมอนะ กลับบ้านดีๆนะครับดูแลตัวเองดีๆนะครับาารมาเยี่ยมเราอีกนะครับ ก, ร, ก, นนกรุณาไปที่ www. b o o k t o d e สำหรับหนังสือและดาวน์โหลดเวอร์ชันใหม่ล่าสุด